โยมมาวละแค่นี้น่าดีมากเลยเยอะๆเรียนคุณภาพก็อ่อนไปต้องช่วยตัวเองเยอะแต่ตอนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ช่วยตัวเองเยอะมากเลยพวกเราอย่าวังให้หลวงพ่อช่วยมากเกินไปแต่คงเป็นจริตนิสัยหลวงพ่อด้วยอย่างหลวงปู่ดุลนะหรือครูบาอาจารย์ไม่เคยประพบประงมหลวงพ่อ สอนแล้วก็ให้เราไปลุยเอาแล้วก็สู้ของเราได้การที่เราสู้นะล้วเราไม่มีปัญญาที่จะไปหาท่านทั่วทิกเราก็ต้องภาวนาเอาเองสู้ตายนะมันไม่ยากถ้าใจไม่ฝ่อซะก่อนศัตรูร้ายของชีวิตเราเลยนะคือกิเลสทั้งหลายนะี่แหละ กิเลสมันย่ายีหัวใจเราตลอดเวลาถ้ามีสติปัญญานะปลดเปลื้องมันออกไปได้ครับมันก็พ้นทุกข์ไป ถ, ถูกกิเลสย่ํายีอยู่ก็ทุกข์ไปได้วยแต่สู้กิเลสไม่ได้สู้แบบบัวแบบควายแบบบัวกระทิงไล่ขวิดนะูอย่าไปไล่ขวิดกิเลสกิเลสเหมือนน้านะเหมือนน้าในแม่น้ำํำถ้ามันไหลไปเรื่อยเมันไม่ค่อยทําลายอะไร นานๆก็มีน้ำบาอะไใหญ่ๆมาทิง้งอย่างน้ำไหลมาในแม่น้ำเราไปกั้นเขื่อนนะเกิดพลังงานมหาศาลเลยกิเลสเหมือนกันนะถ้าปล่อยให้มันไหลมาแล้วเราเป็นแค่คนดูสบายๆอย่าไปเผลอลืมดูจนมันตัวใหญ่มันน้ำบ่าใหญ่ๆมาแนละ้วอย่างนั้นก็ยับเยินเหมือนกันแต่ถ้ากิเลสตัวเล็กตัวน้อยให้ผ่านมาเนี่ยนะเราคอยมีสติรู้ทันไหม กิเลสมันก็ไม่มีโอกาสตัวใหญ่กิเลตัวใหญ่มันก็มาจากกิเลตัวเล็กๆนั่นแหละเหมือนไฟไหม้นะก่อนมันจะไหม้บ้านไหม้เมืองได้มมาจากไฟนิดเดียวไม่ขีดก้านเดียวหรือไฟชอ็อตหยุดนิดเดียวอย่างเจอทีแรกเอามือตบยังดับเลยในกิเลสถ้าเรามีสติไวๆนะกิเลสผุดขึ้นมาปุ๊บรู้ทันกิเลสก็สลายตัวไปไม่มีโอกาสตัวโตวในเราเฝ้ารู้มันไปนะเห็นมันไหลไปไหลไป เราไม่ไปขวางมันถ้าเราขวางกิเลสเ ม, นะมื่อไรนะเหมือนเราไปกั้นเขื่อนในแม่น้ำาเงี้ยมันเกิดแรงดันมหาศาลนะนะเขื่อนแตกเมื่อไรก็แย่แย่เมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่มังกรนะอุย้ยได้รับคำขู่ทุกวันเลยนะระวังนะเขื่อนจะแตกนะเขื่อนมีอยู่สองเขื่อนใหญ่ๆนะเขื่อนศรีนักครินก็เขื่อนอะไรเนี่ยนี่ก็เปลี่ยนเป็นวัชิราลงกร เมื่อก่อนเขื่อนวชิราลงกร์นเนี่ยเล็กนิดเดียวมีเขื่อนทดน้ำแบ่งน้ำไปตามคลองโน้นตลองนี้ย้ายไปอยู่เปลี่ยนชื่อคนก็ชอบลือนะว่าเขื่อนเนี่ยอยู่ตรงรอยแตกของแผ่นดินเหมือนภูเขาไฟหรืออะไรแผ่นดินไหวขึ้นมาเมื่อไหร่เขืนจะแตกน้ำจะท่วมวัดที่มองการก็ต้องถูกท่วมด้วย คูยอย่างนี้เรื่อยๆนะมีอยู่วันหนึ่งนะสามคนอากับแม่ฉี่ตอนนั้นงสองคนนี้ยังไม่ได้บวชสามคนออกไปทุระนะกลับเข้ามาในหมู่บ้านนะั้นเงียบๆไม่มีคนแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะแล้วก็เข้าวัดเราปกติตอนเช้าๆเรื่อยเวลาผ่านไปนานมากเลยเขาก็เที่ยวตะเวนประกาศบอกว่าที่ว่าเขื่อนแตกนะั้นไม่แตกหรอกะ ให้กลับลงจากภูเขาได้นั้นหนีขึ้นภูเขาไปหมดหมู่บ้านเลยเหลือเราอยู่สามคนกับหมาตัวเดียวเนื้อน้ำนะไปกั้นไว้มีพลังมากกิเลสเหมือนกันเวลาที่เจอกิเลสอย่าไปต้านมันดูมันไหลมาไหลไปดูสบายๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียถึงจะสบายกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ก็ผ่านไปผ่านไป เหมือนเรายืนอยู่บนตะลิงเห็นอะไรต่ออะไรลอยน้ำมานะมันลอยมาแล้วมันก็ลอยไปถ้าเรามีสติรู้ทันอย่างนี้นะมันก็ไม่มีอำนาจทำลายร้างจิตใจเราเท่าไหร่หรอกถ้ารู้ไม่ทันมันใหญ่โตขึ้นมาใหญ่โตขึ้นมาแล้วสู้ไม่เป็นนะพยายามไปต่อสู้มันอะยิ่งต่อสู้มันก็บอบช้าสู้มันไม่ไหวหรอกกิเลสกิเลสมันคลองโลกมาตั้งนานแล้วเหมือนจะชก กับ น, นักมวยแชมป์โลกสู้กันไม่ได้หรอกเพระฉะนเราต้องมีชั้นเชิงนะอะไรที่เราสู้ไม่ได้ก็อย่าไปสู้มันแค่รู้ทันมันคอยรู้รู้ไว้นะอย่าไปปะทะมันมันก็ผ่านไปเพราะทุกอย่างกระทั่งกิเลสนะก็แสดงใจรักเหมือนกันเกิดแล้วก็ดับไม่จําเป็นต้องไปสู้กิเลสเลยอดทนไว้นะกิเลสมาแล้วตามรู้ตามดูยังไงกิเลสก็ต้องดับเพราะกิเลสก็ต้องตกอยู่ใต้ใจรักษเหมือนกันนั่นะ หลวงพ่อเคยสอนพวกเราบ่อยๆว่าจิตเหมือนเรือนะจิตเหมือนเรือทอดสมออยู่ในแม่น้ําเงี้ยกิเลสเหมือนน้าไหลมาเรื่อยเรืออย่าไปขวางน้ําถ้าเรือขวางน้ําเรือก็ล่มนะน้าทํำลายเรือได้เรือไม่ขวางน้ํานะแต่เรืออยากให้ไหลตามน้ําไปทอดสมองให้อย่าให้มันลอยตามน้ําไปทอดสมองไว้ก็คือมีสติคอยรู้สึกไปรู้สึกไปรู้ทันไปเรื่อยกิเลสไหลมาไหลไป นี่พอเราดูเป็นแล้วนะล้วก็จะเห็นกนะิเลสมาแล้วกเกิดแล้วก็ดับถ้ากิเลสมีเหตุกิเลสก็เกิดหมดเหตุกิเลสก็ดับบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้นะสั่งห้ามมาก็ไม่ได้มาแล้วไล่ให้ไปก็ไม่ไปอย่างเวลาเราโกรธขึ้นมาเราบอกจิตให้หายโกรธมันไม่หายนะโกรธนานไม่หายยล้วเราคอยรู้คอยดูไปด้วยเมื่อเช้าเดินมาจากกุฏิ ปกติตอนเช้าเนี่ยเป็นเวลาหลวงพ่อตรวจการบ้านพระะไม่ได้หยุดงานเลยนะพอออกจากกุฏิก็เริ่มทํางานลนะเดินมาองค์ที่หนึ่งโอ้ภาวนาใช้ได้แล้วนะอดทนไหมนะอดทนภาวนาไปอดทนต่ออะไรอดทนต่อความขี้เกียจขี้คั้งความสงสัยนะอดทนแก่กิเลสเหมือนกันนะพอภาวนาดีแล้วเดี๋ยวเกิด ขี้เกียจขึ้นมามันก็เสื่อมไปเลยเกิดลังเลสงสัยขึ้นมาก็เสื่อมไปอีกฟุง้งซ่านขึ้นมากนะ็ดอดทนไหมนี่ภาวนานดีให้อดทนไว้อีกองคหนึ่งโอ้นะี่ก็ภาวนาดีอดทนไว้หน้าอย่าขี้เกียจมาอีกองหนึ่ ง, นนนน ห, นะงหน้านะมีโมหะเยอะนะอดทนไว้หน้าสู้กับมันอย่าท้อถอยนะนี่สู้กิเลสนะนี่อีกองหนึ่งขี้โมโหโมโหใหญ่เลยโมโหโมโหโมโห ใครก็ทําอะไรให้โอโหบอกอดทนไว้นะภาวนาไปดูเห็นไหมภาวนาดีนะก็ต้องอดทนนะภาวนาแย่ก็ต้องอดทนนะก็ <c oughs> รู้หลักของการภาวนาแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากเลยต้องทนขึ้นะมาทําะเหยาะแย่แ่ไม่ได้กินหรอกนะคนที่จะข้ามพบข้ามชาติได้นะต้องทนจริงๆเข้มแข็งไม่ท้อถอยนะไม่ใช่ วันนี้ภาวนาดีอีกวันก็ขี้เกียจไปแล้วนี้ไม่นทนก็ทําไม่ไหวไม่สําเร็จต้องฮึดสู้ภาคเพียนตามรู้ตามดูไปวิธีการที่หลวงพ่อสอนนะั้นบางคนบอกง่ายง่บางคนบอกยากยากเอาไงแน่ก็ไม่รู้นะ <c oughs> ไม่ต้องทําอะไรนะรู้อย่างเดียวมันยากตรงที่รู้อย่างเดียวนี่แหละให้ไปทําอะไรสัอย่างนะ่ยง่ายกวย่บอกเอา้าทุกวันให้ไปเดินจงกรม 1ชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงสลับกันให้ได้สามรอบเียบางคนทำได้ถ้าใช้ให้ทำนั่นทำนี่แง่ายเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนี้นะเนี่ยพายกิเลนมาให้ทำอย่างนี้นะมันรู้สึกมีงานทำก็รู้สึกสบายสนุกมันยากตรงที่ยังไม่ทำมันยากตรงที่จะแค่รู้ยากนะยากเพราะใจของเราเนี่ยคุ้นเคยที่จะทา อย่างพวกเราแต่ละวันที่ภาวนาพวกเรารู้สึกไหมพอตื่นนอนมาเราก็ถามตัวเองแล้วว่าเราจะปฏิบัติยังไงจะดีทํายังไงจะถูกนะทํายังไงจะดีนะใครยคิดถามตัวเองด้วยอะไรมีคนไหนไม่เคยถามแม้ว่าทํายังไงจะถูกปฏิบัติอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะปฏิบัติอย่างนี้จะดีไหมมีใครไม่ถามมีใครถามบ้างเ <c oughs> นี่ยทดสอบต้องตั้งคําถามกลับข้างบ้างนะดูว่าหลับไปยัง หลวงพ่อก็ถามนะแต่ก่อนเนี้ยกระทั่งตอนมาบวชแล้วนะโอ้เราอยากเร่งความเพียรมาเราบวชมาได้สองพันศาแล้วเราจะเร่งความเพียรสทัทียังเร่งเราไม่รู้จะเร่งยังไงนะนึกไม่ออกเหมือนกันในใจมันก็เคยคิดนะว่าทําอะไรนะมันจะหลุดพ้นเคยคิดอย่างนี้นะเคยคิดมันก็คิดเหมือนกันนะก็ภาคเพียรนะลองทําอย่างนี้ดูไม่ใช่ลองทําอย่างนี้ไม่ใช่นะ ใครเคยเล่นเกมที่มันมีทางเดินอะแล้วมีทางแยกเยอะแยะเขาเรียกอะไรเกมไม่รู้เรียกอะไรนะที่เดินไปทางนี้ก็ตันเดินไปทางนี้ก็ตันมีทางถูกอยู่ทางเดียวนะการภาวนาเหมือนอย่างนั้นจริงนะเลี้ยวซ้ายก็ตันเลี้ยวขวาก็ตันนะเดินไปข้างหน้าก็ตันถอยหลังก็ใช้ไม่ได้ <laughs> อัศจรย์จริงๆ มันต่างกับเกมนั้นนะเกมนั้นมีช่องที่ถูกอยู่หนึ่งช่องเกมนี้ไม่มีอะไรรู้ลูกเดียวเลยอย่าไปเดินไม่ต้องเดินนะเคยรู้อย่างที่เขาเป็นรู้ไกายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นจะว่ายากมันก็ไม่ยากอะไรเพราะไม่ต้องทําอะไรจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะเพราะเราเคยชินที่จะทำํำใจแข็งๆนะเราอดทนเชื่อที่หลวงพ่อบอกแทนที่เราจะคิดว่าการภาวนาคือการต้องทําอะไรยากๆทําอะไรผิดธรรมชาติธรรมดา นะลองเชื่อดูสักพักหนึ่งนะลองตามรู้ตามดูร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกตามรู้สึกกายตามรู้สึกใจรู้ไปเรื่อยๆดูซิมันจะดีได้ไหมนะกล้าท้าเลยนะถ้าทําจริงแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนะตามรู้กายตามรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเรื่อยๆต้องเห็นผลในเวลาอันสั้นเลยไม่นานก็เห็นผลนะอย่างพวกเราที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่าการนั่งเพ่ง ที่คิดถึงการปฏิบัตินะถ้าไม่เพ่งกายก็เพ่งใจมีอยู่เท่านั้นเองน่ะนักปฏิบัติไม่มีอย่างอื่นหรอกทําซ้ํำซากอย่างนี้มาตั้งกี่ยุกี่สมัยแล้วนะก่อนพุท ธ, ธากาลก็ทําอย่างนั้นนหะนักปฏิบัติพอคิดเรื่องการปฏิบัติไม่บังคับกายเขาบังคับใจไม่เพ่งกายเขาเพ่งใจอย่างเดินจงกรมนึกออกไหมพอจะเดินจงกรมขั้นแรกเลยต้องวางฟอร์มก่อนวางท่าให้ดีก่อนนี้เริ่มบังคับแล้วต้องเดินท่านี้ถ้าท่าอื่นไม่ได้เสร็จแล้วต้องทําใจ บังคับกายบังคับใจเสร็จแล้วค่อยๆเดินดไปเห็นไหยค่อยเดินไปนะวันหนึ่งจะเป็นพระอรหันต์มันจะเป็นซอมบี้สินะจะได้เรื่องอะไรบนะังคับไปหมดเลยนะหรือพอนั่งสมาธิใช่ไหมธรรมดาก็นั่งท่านั้นท่านี้นะก็แค่รู้สึกตัวไปไม่ได้นะต้องนั่งท่านี้เถียงกันอีกนะว่านิ้วแม่โป้องจอะชนกันหรือจะให้นิ้วชี้ชนกันออ มือไหนซ้อนมือไหนต้องมือนี้ซ้อนนิ้วจะต้องอยู่ตรงนี้นะถามทำไมนิ้วต้องอยู่อย่างงี้ยลมปราณจะได้โคจร <c oughs> กลายเป็นวิชายโยคะ อ, อีกแล้วน <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อะไรที่มันจะนอกรูนอกทางแนละ้วมีตลอดเวลาเราไปติดแต่เปลือกนั่งก็นั่งบังคับกายต้องนั่งท่านี้เสร็จแล้วก็บังคับใจบังคับใจมีสองพวกนะพวกหนึ่งดิ่งเข้าไปอีกพวกหนึ่งน้อมให้ซึม น, น, น, น, น, น, น, นี่เป็นอย่างนี้นะไม่ได้เรื่องเลยนะมันมีแต่บังคับกายกับบังคับใจนะการภาวนาที่ผิดอยู่แค่นั้นเองแล้วที่ถูกอยู่ตรงไหนที่ถูกอยู่ที่รู้สึกกายรู้สึกใจการรู้กายรู้ใจนะมันมี anden, มสองสเต็ปขั้นแรกรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจ เวทนาเกิดขึ ite, ้นรู้สึกถึงความมีอยู่ของเวทนากิเลสเกิดขึ้นรู้สึกถึงความมีอยู่ของกิเลสความทุกข์ในกายความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็สักแต่รู้ได้แค่เห็นนะระลึกรู้รู้ถึงความมีอยู่ของเวทนาร่างกายหายใจออกระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายอันนี้เรียกว่ามีสติมีสติอย่างเดียวยังไม่เกิดวิปัสสนา แค่ระ ร, รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจเนี่ยยังไม่ขึ้นมีปรัสนาเพราะงั้นอย่างที่พวกเรานั่งหายใจเราไม่ลืมเลยนะรู้ตลอดเลยหายใจแล้วไม่ลืมเลยเน<ม>ี่ยนะรู้ตลอดเลยไม่ลืมเลหรือเดินจงกรมนะขยับกลิกกรี๊กกรีกรู้หมดเลยนะรู้ถึงมันอยู่นะแค่มีสติใช้ไม่ได้ ดัการที่เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจนี่เป็นแค่เบื้องต้นคือมีสตินั่นเองนะต่อไปจะพัฒนาให้มันดีกว่านั้นให้เกิดปัญญาได้ไงต้องเห็นความเป็นจริงของกายต้องเห็นความเป็นจริงของใจกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่รู้ถึงความมีอยู่นะแต่ว่ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันเป็นยังไงบ้างในกายในใจมันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาร่างกายไม่เที่ยงรู้สึกไหมหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกไม่เที่ยงไม่ลองหายใจออกอย่างเดียวหายใจเข้าอย่างเดียวอยู่ไม <iques> ่ได <more> ้นะร่างกายไม่เที่ยงนะเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนนอนก็นอนพลิกไปพลิกมานั่งก็นั่งขยับไปขยับมามีใครนั่งแล้วยังไม่ขยับบ้างมีไหมถ้านั่งแล้วไม่กระดุกกระดิกนอนแล้วไม่กระดุกกระดิกแล้วบรรลุพระอรหันต์นะ คนเป็นโรคอะไรนะที่เดินไม่ได้อัมพาตนะเป็นผ้าละหันหมดแล้วนะอดิษไม่ได้ันน้นนเป็นผ้าละหันนะไม่ใช่นะร่างกายนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเราดูมันไปร่างกายมีแต่ความไม่เที่ยงหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะมันเหมือนมีชีวิตขาดเป็นช่วง คนที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็ตายไปเกิดคนที่หายใจเข้าขึ้นมาแทนเนีน่ยคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆคนที่นั่งอยู่ตายไปเกิดคนที่ยืนคนที่ยืนตายไปเกิดคนที่เดินอย่างเงี้ยคนที่เดินตายไปเกิดคนที่นอนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะเดินเดินอยู่เกิดหัวใจวายลงไปนอนไม่ทันยืนไม่ทันลงมานั่งไม่ทันลงไปนอนถ้าคนทั่วๆไปนะก่อนจะนอนนะก็ต้องนั่งก่อน อิริยาบถก็เคลื่อนคนที่มีชีวิตคนที่ยืนอยู่นะอยู่ช่วคราวหายไปแล้วเกิดคนที่นั่งคนที่นั่งอยู่ช่วคราวหายไปเป็นคนที่นอนค่อยๆดูไปะมีแต่ความไม่เที่ยงมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลายร่างกายเราอยู่นิ่งไม่ได้อะทําไมมันไม่เที่ยงนที่มันไม่เที่ยงเพราะมันทนไม่ได้นะมันทนไม่ได้ความทุกข์มันบีบคั้นตลอดเลยมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆ เราร่างกายก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุหายใจเข้าก็เอาธาตุเข้าไปในร่างกายหายใจออกก็เอาธาตุออกมากินอาหารก็เอาธาตุเข้าไปขับถ่ายก็เอาธาตุออกมาร่างกายเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นแค่วัตถุอันหนึง่งนะจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลย เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนติ้วตๆ้ตลอดเวลานีจิตใจเราแสดงความไม่เที่ยงร่างกายแสดงความไม่เที่ยงยากกว่าจิตใจนะเพราะจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเกิดดับรวดเร็วนั้นจิตเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงได้ชัดมากเลยร่างกายเนี่ยแสดงความทุกข์ได้ชัดทุกขังกายและเวทนาเนี่ยดูทุกข ทั้งกายและเวทนาดูเป็นอนัตตาง่ายทั้งจิตทั้งกายทั้งจิตดูเป็นอนัตตาได้ง่ายทุกอันอนัตตาได้หมดไม่ใช่เราในส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นวัตถุในส่วนนามารำเนี่ยไม่ใช่เราเพราะเราบังคับไม่ได้ดูง่ายๆเลยบังคับไม่ได้เราสั่งจิตเราได้ไหมใครคิดว่าเราสั่งจิตได้ลองสั่งที่ว่าจงเป็นพระอรหันในการอับัตินี้เทิน มันเป็นไหมล่ะนะไม่เป็นหรอกนะจงห้ามกโกรธนะอจงห้ามทุกนะห้ามไม่ได้สักั้นเลยเฝนะ้าดูลงไปเลยกิเลสจะเกิดน้ามีเหตุกิเลสก็เกิดหมดเหตุกิเลสก็ดัดบบังคับไม่ได้กุศลเหมือนกันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่แหละคืออนัตตาบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเราบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นไปนตามเหตนะุนี่ความจริงของกายของใจนะคือไตรลักษ เพราะ้นขั้นแรกที่เราจะปฏิบัติทำนะขั้นแรกนะคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจก่อนอย่าลืมกายลืมใจตรงแค่รู้สึกก็ไม่ใช่แปลว่าเพ่งถ้าเพ่งกายเพ่งใจถามว่ารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจมันรู้สึกนะแต่เพ่งอยู่นี่ใช้ไม่ได้จะไม่เห็นความจริงของกายของใจลืมกายลืมใจเนี่ยทำให้เราไม่รู้เลยว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่ใช้ไม่ได้เลยเพ่งกายเพ่งใจนะรู้ว่ากายมีอยู่จิตมีอยู่ แต่ไม่แสดงใจรักเพราะน้นศัตรูของการปฏิบัติไม่ปัสสนานะั้นมีสองางานหนึ่งอันหนึ่งลืมกายลืมใจขาดสติอันหนึงเพ่งกายเพ่งใจมีสติเหมือนกันแต่เป็นสติเพ่งๆใช้ไม่ได้นะใจจะต้องเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะใจเป็นคนดูตั้งมั่นสบายๆเห็นร่างกายมันทํางานไปใจเราเป็นคนดูเห็นจิตใจมันทํางานไปใจเป็นคนดูดูมันทํางานไปเรื่อยๆดูสบายๆ ทำตัวสบายๆไม่ใช่ห้ามไม่ให้กิเลสเกิดนะไม่ใช่พยายามบังคับให้กิเลสดับไม่ใช่พยายามให้กุศลเกิดไม่ใช่พยายามรักษากุศลที่เกิดแล้วนะไม่ต้องทำหน้าที่อย่างนั้นตัวที่ทำหน้าที่ทำลายกิเลสที่มีอยู่แล้วก็กั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดนะตัวที่ทำหน้าที่ทำกุศลให้เกิดแล้วก็ทำกุศลให้เกิดยิ่งขึ้นไปเรื่อยคือสติไม่ใช่เราหรอกสติทาหน้าที่นั้นเอง เราไม่ต้องทําหน้าที่นั้นเราเป็นแค่คนดูพอนะเราดูเรื่อยเเรามีสติรู้สึกกายรู้สึกใจได้่อยไม่ไปเพง่งกายเพ่งใจแค่นั้นเองนะพวกเราลองดูนะพอเราตั้งใจปฏิบัติเมื่อไหร่ถ้าไม่เพง่งกายก็เพ่งใจที่ทํามาตั้งนานไม่บรรลุมรรคผลก็เพราะเรื่องนั้นแหละนะหรือไม่ก็มวัวแต่หลงไปคิดเช่นคิดเรื่องกายคิดเรื่องใจคิดเรื่องกายเรื่องใจก็ไม่บรรลุนะใช้ไม่ได้หรอกเป็นอุบายเท่านเองก่อนครูบาอาจารย์นะ ไปเรียนยกับครูบาอาจารย์นั้นได้ยินได้เลยครูบาอาจารย์ชอบสอนให้พิจารณากายพุโทโธพิจารณากายหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่าเรียนไปช่วงหนึ่งนะครูบาอาจารย์ท่านก็เฉลยให้อย่างหลวงพ่อพุธท่านบอกเลยว่ามิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดยังคิดอยู่ไม่ขึ้นมิปัสนาจริงอะหลวงพุทธเทศน์สอนชัดๆเลยบอกว่าคิดพิจารณากายเป็นปฏิคูลเป็นอสุภะเนี่ยทาไปเพื่อแก้อาการของจิตเป็นสมถะ อย่างจิตมีราคะนะพิจารณาปฏิคูณาสุภาษ่วนยะแก้อาการหรือแก้แก้ราคานะจิตมีโทสะไปเจริญเมตตานี่ก็แก้อาการนะก็เป็นสมถนะเนีเป็นเรื่องของการแก้อาการหรือไปพิจารณานะร่างกายนี้ต่อไปก็ต้องตายนะพิจารณาความตายมรณสติก็เป็นสมถะอีกนะพิจารณาไปเพื่ออะไรเพื่ อ, เ พ, อเพื่อแก้ไขดัดแปลงสภาวะบางอย่าง เช่นเรามีความประมาทมากเลยยังคึกเหลือเกินรู้สึกฉันยังหนุ่มยังสาวยังคึกยังเด็กไม่ตายความจริงเด็กตายไปเยอะแล้วะคนหนุ่มคนสาวตายไปเยอะแล้วพอเราคิดถึงความตายเราก็ไม่ประมาทแก้อาการประมาทสิ่งเหล่านี้เป็นสมถะทั้งนั้นเลยทำไปเพื่อแก้สิ่งที่ไม่ดีให้เกิดสิ่งที่ดีทําจิตที่ไม่สงบให้สงบทําจิตที่ไม่มีความสุขให้มีความสุขนี่เรื่องของสมถะส่วนวิปัสสนาแท้ๆนะ กายเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูมันทํางานไปอย่าไปบังคับมันอย่าไปเกี่ยวข้องนะแค่รู้ลืมมันไม่ได้ถ้าลืมมันก็ไม่มีสติแต่ถ้าเพ่งมันนะก็ไม่ใช่แค่รู้เกินไม่กลายเป็นพยายามบังคับไปเพราะฉั้นะถ้าเราไม่สุดตรงไปสองข้างนะไม่ลืมกายไม่ลืมใจแล้วก็ไม่เพ่งกายเพ่งใจไปกดข่มบังคับมันเราจะรูนะ้รู้เนี่ยอยู่ตรงกลางระหวนะ่างเผลอกับเพ่งน เพ่งนี่มันก็แรงไปเผลอมันก็เบาไปนะรู้นี่มันพอดีพอดีแต่ทํายังไงจะรู้เผลอแล้วรู้นะเผลอแล้วรู้ว่วเผลอนะจะพอดีเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งเนี่ยยังไม่ค่อยจะพอดีหรอกเพราะยังเพ่งรู้ว่าเพ่งมางคนก็ยังเพ่งต่อไปอีกนะทำไมยังเพ่งต่อไปได้เพราะเพ่งไม่ใช่อกุศลเพ่งเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลนะการควบคุมกายควบคุมใจให้เรียบร้อยเนี่ยเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศล ในขณะที่เผลอตามใจกิเลสเนี่เป็นความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลทันทีที่มีสติอกุศลดับทันทีแต่ทันทีที่มีสติไม่จำเป็นว่ากุศลจะต้องดับนะเพราะฉนั้นอย่างเราเพ่งอยู่รู้ว่าเพง่งเพ่งไม่เลิก ท, ทันทะีแต่ถ้าลึกลงไปอีกนะอะไรทาให้เพง่งเอาวิชาพาให้เพ่งนะเอาวิชานี่ลึกซึ้งซ่อนเร้นอยู่เป็นกิเลสซึ่งดูยากดูเหมือนไม่มีกิเลส ยังมีอวิชชายัางไม่รู้แจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ก็อยากให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขก็พยายามบังคับกายบังคับใจเรือ่อยฝึกกรรมฐานอะไรเงี้ยหวังว่าวันหนึ่งมันจะจิตนี้มันจะพ้นทุกข์หวังว่าวันหนึ่งจิตจะเป็นพระอาหารหันต์ทําไมต้องอยากให้จิตเป็นพระอาหารหันต์ก็เพราะมันจิตกลัวสินะถ้าจิตมึงกลัวก็ไม่อยากด้วยใช่ไหมนี่มันเป็นจิตกลัวสิเนี่ยเพราะว่ารากเง่ามันยังอยู่นะยังยึดถืออยู่ นะแต่ถ้าเราเห็นความจริงในใกายในใจเรื่อยๆวันนึ่งทำลายอาวิชชาไปนะปัญหาความอยากอะไรก็ไม่มีขึ้นมาใจเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงเลยเงี้ยนะพวกเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจได้่อยรู้สึกกายรู้สึกใจอย่าเพ่งเอาอย่าบังคับมารู้สึกเอานะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกสังเกตไหมตอนนั่งฟังหลวงพ่อนเนี่ยจิตใจเคลื่อนไหวตลอดดูออกไหมร่างกายเคลื่อนไหวนิดๆรู้สึกไหม ร่างกายเคลื่อนไหวตลอดเหมือนกันเลยหายใจอยู Why, ่ตลอดเวลาใครไม่หายใจมั่งร่างกายก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะแต่จิตใจเนี่ยเคลื่อนไหวโลดโผนมากเลยร่างกายเคลื่อนไหวก็เคลื่อนอยู่กับที่เนี่ยเรายังไม่ได้ลุกขึ้นมาใช่ไหมมันก็ไหวอยู่ข้างรอบๆตัวแค่นี้เองยังติดอยู่กับพื้นอยู่ยังไม่ได้ขยับหนีไปไหนแต่จิตใจเนี่ยหนีออกนอกวัดไปหลายรอบแล้วนึกออกไหมบางคนหนีไปอเมริกานะหนีไปโน้นหนีไปนี้ แม้จิตใจนั้นหนีเร็วมากเลยงั้นเรามีสตินะรู้ไปรู้ไปจิตใจหนีไปแล้วฟังเสียงะระฆังซิดูว่าจิตไหวไหมเอาเขาเลิกตีไปเลยฟังออกไหมเห็นความไหวของจิตบ้างไหมเอาเอตีอีกสองทีอ่ะพอ ใครดูออกบ้างไหมหูเราได้ยินเสียงจิตก็ไหวนะตา ม, มองเห็นรูปจิตก็ไหนะใจคิดจิตก็ไหวนะไหวตลอดเลยเนี่ยเฝ้ารู้นะเฝ้าดูดูมันทํางานไปจงใจไหวหรือเปล่าจงใจให้จิตไหวไหมได้ยินเสียงะระกขังนะรู้สึกไหมจิตมันไหวได้นะไม่ได้เจตนาจะไหวนะมันไหวของมันได้เอง เนี่ยตามดูไปนะจะเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานได้เองนะนเฝ้ารู้เฝ้าดูนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกง่ายๆ ง, ง่ายนะถ้ารู้เอาถ้าเพ่งยากที่สุดเลยเพ่งกี่ปีกี่ชาติก็เพ่งอยู่งนะั้นเหนื่อยอทำไมไม่หมดเวลาที่ไม่รู้จะเทศอะไรเอาตรวจกันบ้านเชิญคนอยู่วัดหลัง วันที่สองที่หลวงพ่อมาแนะนำให้เคลื่อนไหวและรู้สึกตัวตลอดวันนั้นผมก็เดินจงกรมตลอดเวลาครับ mm hmm. จนไปถึงกลางวันก็ปรากฏ ว, ว่าจิตเนี่ยพอใจอยู่กับการรู้สึกตัว uh huh. คำถามข้อแรกก็คืออยากอยากจะทราบว่าที่พอใจอยู่ขนาดนั้นโดยไม่เดินปัญญาเนี่ยเกิดจากอาการเพ่งหรือว่าจิตยังไม่มีปัญ ญ, ญาจริงครับให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ การปฏิบัติเนี่ยมีแต่รู้สภาวะโลงปัจจุบันลูกเดียวเลยนะงานจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยหลังจาก ต, ต้องกล้ามากเลยนะถึไม่ยอมได้หลังจากตอนเที่ยงแล้วก็ก็กายมันล้ามากครับก็จะจะไปพักครับพอเอ็นกายลงนอนก็สติกระลึกรู้ว่ากายกำลังหายใจภาวนาไปได้สองครั้งก็ จิตก็เห็นกายมันซ้อนกันอยู่สองกายครับ<อ>ปรากฏว่ากายกายตัวใหม่เนี่ยครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับซากศพที่ก็สตาร์<อ>ทับอยู่จิตก็แวบขึ้นมาก็ก็รู้สึกว่ากายไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราเ พอสักพักนึ่งครับจิตมันข้าควรครับมันไม่ยอมครับออมันรู้สึกว่าไอ้จิตตัวที่สองเนี่ยมาทับไอ้ตัวเดิมมาให้ใจไม่ออกครับออมันก็ร้องว่ากายของเรากายของเราโดีนะอย่างรู้ว่ากายของเรานั่นแหละไปพอนายกคราวนี้ก็อยากทราบว่าอาการที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอาการของจิตรวมหรืจิตฟุกงชั้นอยากทราบให้รู้ว่าอยาก เราภาวนาเนี่ยนะเราทําไม่ใช่เพื่อความเฉลียวฉลาดอะไรสิ่งเดียวที่เราต้องการนะถ้าอยากได้มากผลเร็วๆเนี่ยจับหลักตรงนี้ให้แม่นสิ่งเดียวที่เราต้องการก็คือการได้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดเนี่ยดับทั้งสิ้นนะะะนั้นจิตมีความอยากรู้เกิดขึ้นจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยเห็นความสงสัยดับ จิตอยากรู้รู้ว่าอยากรู้มก็เห็นความอยากรู้ดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่สอนแบบกล้าหาญมากนะห้าวหาญส่วนความรู้ความเห็นทั้งหลายนะี่ไม่มีสาระอะไรเลยนะอคุณไปทําต่อนะที่คุณทําอยู่ดีนะอย่าทิ้งตรงนี้ไม่ดีตรงนี้เพ่งเพ่งแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้ตอนก่อนจะชมนะีดีมากเลยเออไปยอย่างนี้ แยกออกใช่ไหมไม่เหมือนกันรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันอืมดีอะที่คุณฝึกใช้ได้นะจิตมันเดินปัญญาละจิตมันตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นไกาไม่ใช่ตัวเราไปนะแล้วก็จิตมันรู้ทันจิตที่ลคล่ําครวญว่ากายไม่ใช่ตัวเรานะแล้วอะไรเกิดขึ้นนะคุณรู้ไปเร่ยที่ทําอยู่ถูกต้องลแล้นะในการตามรู้ความคิดอแป๊บหนึ่งไม่ถูกแล้วถล่มลงไปดูอ่นะ ในการตามรู้ความคิดเราควรจะรู้แค่ว่าจิตกาลังคิดอยู่แต่ไม่ต้องปล่อยใจให้ถลาลงไปดูว่าจิตกาลังคิดอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะถูกแต่ถ้าใจจะถลาไปรู้ว่าคิดอะไรก็ไม่ห้ามมันก็แค่รู้ว่ามันไปคิดเพราะในวันที่สองที่โยมมาปฏิบัติก็ปล่อยจิตให้ถลาลงไปดูว่ามันคิดอะไรปรากฏว่าปวดหัวทั้งวันเพราะว่าเพราะว่าจิตมันคิดอยู่ตลอดเวลาใช่แต่เดิมคิดทั้งวันไม่ปวดหัว เราไม่เคยเห็นตอนนี้เห็นแล้วรู้สึกไหมจิตนี่รับภาระหนักมากเลยคิดทั้งวันคิดทั้งคืนเห็นไหมจิตนี่ทุกข์ทั้งนั้นเลยะอย่าถลําลงไปรู้แล้วสักว่ารู้อยู่หลักของการดูนะก่อนดูเนี่ยอย่าอยากดูถ้าอยากดูจะกลายเป็นการไปคอยจ้องไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดักดูถ้าอยากดูขึ้นมาปุ๊บรู้ทันเลยระหว่างดูอย่าถลําลงไปถ้าถลําลงไปแล้วจิตไม่ตั้งมัน่นจิตถลําลงไปจ้องเป็นการไปเพ่งนะ ไปบังคับจิตมากจิตก็เครียดปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาได้ก่อนดูนะอย่าอยากดูแล้วเลยจงใจไปจ้องไว้ให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้ระหว่างดูอย่าถล่าลงไปเพ่งรู้แล้วก็ไม่แทรกแสงเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ต้องอยากให้หายเห็นความโลภเกิดขึ้นไม่ต้องอยากให้หายเห็นความสุขเกิดขึ้นไม่ต้องอยากให้อยู่นั้นๆรู้แล้วสักว่ารู้จําได้ไหมสาสเต็ปก่อนรู้ไม่จงใจนะ ไม่ได้ไปจ้องไว้ก่อนระหว่างรู้ไม่เพ่งไม่ถลำลงไปจ้องข้อสามรู้แล้วไม่แทรกแซงรู้แล้วจบลงที่รู้อเท่านี้ก่อนแปดโมงนิมนต์นะครับพวกเราไปทันข้าวไป